อยู่ที่ใจถ้าใจของใครมุ่งมั่นพร้อมที่จะต่อสู้อันนี้หละมันแสดงออกถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยมันพร้อมมันต้องพร้อมมาจัดใจก่อนนะจิตใจมันพร้อมใกลขนาดไหนก็มาได้เหมือนกันผิดพลาดบกพร่อมพร้อมจะแก้ไขอย่างนี้เด็กขาดเลย บริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าขนาดฆ่าพ่อพระเจ้าชาตศัตรูนี่ฆ่าพ่อเสร็จแล้วก็ร้อนใจมากทุกมากทรมานมากไปหาพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็บอกบอกง่ายๆวิธีแก้กรรมวิธีออกจากกรรมเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษเหน็นไหมว่า เป็นโทษในการกระทำของตัวเองแล้วตั้งใจไม่ทำอีกไม่ทำอีกเด็ดขาด่อกไปนี่ถูกต้องขึ้นมาแล้วต่อไปกรรมไหนเป็นธรรมกรรมไหนดีถูกต้องให้ทำกรรมนั้นนี่แหละออกจากกรรมของอุจจาทะเาเรียกว่าแก้กรรมทำอะไรอยู่มีสติก็อันนั้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะเราจะไม่แยกแยกระหว่างการทำงานการดำเนินชีวิตกับการปฏิบัติธรรม เราพยายามที่จะให้มันเป็นอันเดียวกันอันนี้มันเป็นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพอสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไปที่แครนกุลุแครนกุลุพระองค์เด็จไปเสร็จแล้วก็ไปเห็นภูมิประเทศือุศว่าอุดมสมบูรณ์คนก็มีความพร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์เนี่ยก็เลยแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานสีมหาสติปัฏฐานสูตรพอพระองค์เนี่ยระลึกขึ้นมาได้มาสถานที่แห่งนั้นน่ะ มันเคยจเจริญรุงรืองชุ่แหวนล้อมเอื้อมหน่วยคนพร้อมพระองค์ก็แสดงธรรมะที่สำคัญคือสติปัฏฐานสูตรกับมหาสติปัฏฐานสีมหาสติปานสูนสตรก็คือรวมเอาสติปัฏฐานศีนี่แหละเข้าไปด้วยกันพระองค์แสดงธรรมเสร็จแล้ว ประชาชนที่นั่นปฏิบัติกันได้เลยนะปฏิบัติกันหมดเลยอ่ะถ้าใครไม่ปฏิบัติเขาจะเตือนกันนะเขาไปตักน้ำในในพระไตรปิฎกบอกเอาไว้นะไปเจอกันตามท่าน้ำก็จะถามกันว่าเธอจเจริญสติปัฏฐานสี่บทไหนเธอจเจริญกรรมฐานบทไหนบางคนเขาก็ถนัดดูกาย เราก็ดูกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานบางคนเขาถนัดดูเวทนาก็เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานบางคนถนัดดูจิตกจิตต า, า, านุปัสนาสติปัฏฐานถ้าสูงขึ้นไปก็กําลังดูธรรมหมายว่าเห็นมันเกิดดับเห็นไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาถามกันอย่างนี้เลยแต่ถ้าถามเขาจะพอบอกว่าเออกำลังเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานกําลังเจริญสติอยู่อย่างเนี้ยเขาอันโมทนา แต่ถ้าหากว่าถามกันแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่เขาบอกเอาทำไมเธอประมาทอยู่ถ้าถามว่าเออเธอปฏิบัติกรมาถามบทไหนกำลังเจริญสติอยู่โ อ, อ้อนันโมทนานะแสดงว่าการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อเธอแล้วอนันโมทนากันแต่ตามจากสมัยนี้นะสมัยนี้มบไปทีงไหนแล้ว เขาจะปิดกรุงเทพหรือยังยังก็จะไปแต่เรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเชื่อมัยก่อนพระพุทธเจ้ามุ่งตรงมาที่จิตของแต่ละคนคือพยายามที่จะให้มีสติเข้ามารักษาจิตเอาไว้เพราะจิตของคนเรามันเร็วธรรมชาติของจิตแต่ละคนแต่ละคนมันลุ่มอยู่วูบไปวูบมา ไปทางโน้นไปทานี้มันไปทางไหนมันก็ไปตามอารมณ์อารมณ์มาจากไหนก็มาจากกิเลสตัญหาอุปาทานมาจากอวิชชากิเลสตัญหาอุปาทานมาจากความหลงไปเสร็จแล้วก็ไปเอาเรื่องราวเข้ามากุมลุมจิตใจตัวเองทําให้จิตใจตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเพราะจิตของตัวเองหลงไปเป็นเพราะจิตของตัวเองมันอยาก มากอยากเกินเหตุเกินผลเกินความจําเป็นแล้วก็อยากไม่มีที่สิ้นสุดอยากน้นอยากนี่น อ, ยนอยากทํานั่นทนํานี่อันนั้นอันนี้มันไม่มีความพอดีพอไม่มีความพอดีเนี่ยจิตมันก็วิ่งไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายก็ามาจากความหลงจากกิเลสจากปัญหาจากอุคาทานของตัวเองบ้างของคนอื่นบ้าง มันก็เลยเรื่องราวมันก็เลยมากเรื่องข้างนอกแท้ๆก็เข้ามากุมงลุงจิตใจทำให้ใจของตัวเองทุกข์ทีแต่ก็ไม่รู้นะว่าจิตเป็นเพราะจิตของตัวเองเนี่ยมันไปหอบเข้ามามันไปหอบมาเข้ามาแล้วมันก็ยึดไว้ไม่ยอมปล่อยปล่อยก็ปล่อยไม่เป็น นี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้ามีความทุกข์เมื่ อ, อไรก็คือชี้ลงไปที่จิตของแต่ละคนเลยนะนี่แหละทางเข้ามาของทุกข์ทั้งหมดนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไปคิดว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพรคนนี้แค่เหตุการณ์ตรงนั้นตรงนีน้มันโทษแต่ข้างนอกมันก็เลยไม่มีโอกาสรู้ว่าที่แท้จริงจิตของตัวเอง มันมีความหลงอยู่ในนั้นหลงคือยังไงหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนแล้วจริงๆละ่ะความจริงละ่ะเอาง่ายๆร่างกายนี่แหละมันก็เป็นของเราชั่วคราวเฉยๆมันรอวันตายอยู่แล้วแต่ละคนน่ะมีที่เทศอยู่นี่ก็มีเพิ่งจะล้างพิษตับมานนเนี่ย ร้างผิดตับเพาราะโรคภัยไค้เจ็บมันกุ้มหลงแล้วนะทางร่างกายว่ามันมันก็เตรียมนะเตรียมจะไปอันนี้ก็ยับยัง ม, มันไว้รักษาเยียวยามันไปอย่างน้อยให้มันไปช้าหน่อยก็ไม่เหนยไม่เทียนะก็สบายอยู่พอทำไปตามหลักสูตร ต้องไปพิสูจน์กันตอนที่เราตอนนี้มันมีมันมีการไปตรวจร่างกายเอาไว้แล้วเนีย่ยเรามีผลตรงนี้แล้วพอใกล้เวลาที่จะไปตรวจร่างกายก็จะไปดูผลวิธีหนึ่นงว่ามันดีขึ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันดีขึ้นก็แสดงว่าอันนี้ได้ผลดีมีแค่นีมันหลุดออกไปได้ก็แสดงว่าได้ผลมันมีมันมีมนม คือมันต้องได้พิสูจน์คนนั้นพูดคนนี้พูดไม่เท่ากับว่าเราพิสูจน์เองว่ามันจริงหรือไม่จริงมีหลักฐานมีพยานยืนยันเรียบร้อยจริงก็เป็นเพราะนี่แหละร่างกายเนี่ยเราเราอาศัยมันชั่วคราวพอมันอายุมันมากขึ้นมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราเป็นหลงยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเอาอกเอาใจมันอยู่อ่ะ มันก็ไม่โง่กันใชเพราะว่ามันมันรอเวลาที่จะตายไปอยู่แล้วถ้าเรารู้ตรงนี้ใจของเราก็ไม่มีทุกข์เกี่ยวกับร่างกายครับรู้แล้วก็ยังปฏิวัติไม่ได้ก็ยังดีกว่าไม่รู้นะมันยังคิดเป็นอ่ยังคิดสอนตัวเองไปบ้างเข้าใจมันก็จะมีมีการปล่อยการวางอะไบ้าง ส่นจิตใจเอันนี้มันมันมันดูจะยากหน่อยเพราะว่าเวลาเราคิดเราก็ใช้จิตคิดอ่ะจิตมันคิดเวลาเราจะทําอะไรจิตมันก็คิดมันก็นึกขึ้นมาแล้วก็ไปทําแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดมันก็ยากที่จะเข้าไปเห็นมันแต่ว่าถ้าฝึกไปฝึกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย ปล่อยวางจิตได้เด็ดขาดเลยนะเนี่ก็แสดงว่าจิตก็ไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยยากันมาไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันปล่อยวางได้จริงมันก็จะไม่สงสัยในในความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็ทรงเอามาบอกมาสอน ถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงว่ามีบุญนะมีบารมีนะคนที่มาอยู่วัดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีบุญเก่าอยู่นะต้องเคยทําบุญทํากุศลมาพอทําเคยทําบุญมาพอพอถึงเวลาเนี่ยมันก็อยากศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าีาาา่ถ้าหาว่าใครเนี่ย ไม่ถอยอะยังไงยังไงก็จะพยายามละ่ะโอยยางนี้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าบารมีมีบารมีแล้ทีนี้เวลาปฏิบัติมันก็ต้องสร้างเหตุเรื่อยไปค่อยเป็นค่อยไปที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยหมายความว่าเข้าใจหลักการของพระพุทธเจ้าพอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุเรื่อยไป ผลเป็นยังไงก่อแล้วแต่สภาวธรรมแรกๆนี่มันต้องเพียรมากก่อนเพียรก่อนตัวเองนี้แหละเพียรเอาหน้ า, าตาปีนี่หมาว่าเราต้องทําความเพียรเราต้องปฏิบัติแต่พอไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะเพียรเองได้มันจะรู้สึกว่าเออง่ายขึ้นหมาเพราะว่ามั น, ม, น, ม, นมันสติบันดีขึ้นมาแล้วควบคุมคิดได้ดีแล้วมันก็รู้ได้เร็วขึ้น แต่ถ้ว่ามันมันมันมัน EC มันแสกล้าแล้วมันเพียนเองได้นะไปถึงล็อกของมันนี่เป็นเองหมดเลยนะดูเฉยๆเลยอ่ะมันต้องปฏิบัติจนกว่าไงล่ะมันจะไปเป็นเองนู่นแหละไม่ต้องอยากแต่ปฏิบัติเพียนสร้างเหตุจนมันถึงเวลาที่มันเป็นเองขึ้นมาก็ราะดังเวลาปฏิบัติเนี่ย ท่านจึงให้ปล่อยวางความอยากเริ่มต้นก็คื อ, อยังไงอ่ะพยายามทําในจิตเราอยู่กับตัวเราทําได้เขาเรียกว่ากรรมฐานเบื้องต้นเคยปฏิบัติมายังไงก็ทําไปแต่ว่าทําแล้วก็ให้พอใจสร้างนหตเท่านั้นชวนผลจะสงบไม่สงบไม่สมําคัญแต่ว่าพอใจว่าเราได้ปฏิบัติแล้ว ดีไม่ดีไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติสงบไม่สงบขอให้ได้ปฏิบัติได้สมาธิไม่ได้สมาธิขอให้ได้ปฏิบัติได้ผลไม่ได้ผลขอให้ได้ปฏิบัตินี่มันได้ปฏิบัติแล้วนี่เรามันได้อยู่แล้วเมื่อเราวางใจถูกต้องการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปฝืนอะไรมากขอให้ได้ปฏิบัติขอให้ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นล่ะ นี้ถ้าเราปฏิบัติไปสติมันมีกำลังขึ้นมาสติมันเริ่มต่อเนื่องสติความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องมันมีกำลังมันจะไปคุมจิตได้เพราะนั้นสตินี่คือเหตุสมาธิเป็นแค่ผลถ้าสร้างเหตุถูกต้องผลก็เกิดขึ้นเองเพราะนั้นไม่ต้องไปอยากเอาไม่อยากทาไมมาปฏิบัติอันนั้นเป็นความปรารถนา ความพอใจที่จะปฏิบัติถ้าความอยากมหมายว่ามันมีตัวตนมีอาการที่มันไปไปรีบไปเล่งไปยึดไปถือขึ้นมามันมีตัวเราเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเราปฏิบัติเรื่อยไปสร้างเหตุเพือไปผลแล้วแต่เราปล่อยวางได้อย่างนี้มันเป็นความพอใจปฏิบัติ บีคันตัวเองไม่มากดดันตัวเองพอสติมีกำลังจิตมันก็อยู่อยู่อยู่กับตัวเรานเนี่ยว่ามันเป็นสมาธิอยู่นานก็สมาธิเป็นนานมันอยู่แล้วมันไปก็ เ, เป็นธรรมดาพอธรรมชาติของจิตมันต้องนีชิตปรุงแต่งไปเป็นธรรมดา เราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตด้วยเพราะนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ต้องไปหยากสงบไม่ต้องไปบังคับมันแต่ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าสตินี้กำลังเมื่อไหร่มุมุมจิตได้จิตก็อยู่กับตัวเรามีอยู่กับเรานานขึ้นพออยู่กับเรานานขึ้นก็นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรื อ, อารมณ์เดียวเนี่ยอารมณ์เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นตัวสมาธิแต่แรกเป็นสมาธิเบื้องต้นต่อไปก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆแต่ในสมาธิเนี่ยมันมีสองลักษณะในสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกันมันมีสองลักษณะอันหนึ่งเอาซะว่าดูลมอย่างเงี้ยบางคนดูลมดูลมแล้วตามลมไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วจีตก็ลงไปพัก อย่างนี้มันเป็นไปเพื่อได้ชาญนชานหนึ่งชานสองชสามชั้นสีแต่ถ้ามีสติมันมีความรู้ไปเรื่อยอารมณมก็รู้รู้่ารมณ์จิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิรู้ว่าจิตสมาธิสติมันมีกำลังขึ้นก็รู้ว่าสติดีขึ้นมีกำลังมากขึ้น จิตมันพอใจปฏิบัติก็รู้จิตมันเบิกบานก็รู้จิตมันอิเมอือกก็รู้อย่างนี้แสดงว่ามันรู้ไปด้วยที่เรียกวิญญาณปฏิบัติเพื่อการมีความรู้ที่ปฏิบัติีเพื่อการมีความรู้ถ้าหาว่าใครสามารถทําได้อย่างนี้มันก็สงบไปด้วยแล้วก็รู้ตัวไปด้วย แต่ทีนี้บางคนน่ะจริตมันมันไม่ได้คือมันลงไปพักทุกทีอ่ะอันนี้ต้องรอเวลาที่จิตมันมันถอยออกมาซะก่อนมันถอยมาแล้วก็เอามาดูมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือมาดูขนันห้ามันก็มาที่เดียวกันเนี่ยอีกอันหนึ่งก น, นดูไปเลยถ้าดูไปเลยได้ก็แสดงว่า มันจเจริญยิปัสสนาไปเลยยุปัสสนานำหน้าสมถะไปแล้วก็สงบพักไปแล้วก็รู้ใหม่อีกแล้วก็พักไปแต่ถ้าว่ามันมีกำลังจริงๆมันไม่ทักเนี่ยอันนี้ขั้นสูงพอสมควรแล้วมันจะดูตลอดเลยแต่ถ้าใครดูแล้วมันเผลอเข้าไปแล้วไปจมอยู่เพราะอันนี้น่าเสียดายมันไม่กาวหน้านมันจะไม่รู้อะไรอ่ะ บางคนบางคนก็เป็นนะติดนานเลยนะเพราันต้องฝึกต้องพยายามนั่งน้อยหน่อยเดินมากๆให้มันอ่นเอาไว้ก่อนจะนั่งก็ต้องมีบายเตรียมพร้อมไม่ให้มันจมลงไปแต่แก้ไขตัวเองได้มันก็เจริญก้าวหน้าได้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ย ต่อไปเราจะทันหมดแหละมันจะหลงไปบ้างเผลอไปบ้างเพลินไปบ้างถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดมันก็จะทันของมันเหมือนกันแก้ไขได้ขอให้มีความเพียรเพราะนั้นความเพียรมาอันดับหนึ่งเพียรก็เพียรสร้างเหตุพอใจปฏิบัติเลื่อยไปปัญญาอันดับสอง ปัญญาในที่นี้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็น้อมไปสู่พระไตรลักษ์ได้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปอย่างอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันมาจิกจิตอยู่ในจิตของเราเนี่ยที่จริงมันก็เป็นของเกิดดับเป็นของไร้สาระไม่มีตัวตนแต่จิตของเราไปยึดยึดอารมณ์ยึดความคิดยึดความเห็นยึดทุกข์ยึดสุขไปยึดหมดเลยมันก็เลย เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่สอนให้รู้รู้พวกนี้แล้วก็เห็นว่ามันเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความเกิดดับหรือว่ารู้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดของมันมันอยู่ของมันผ่านมาผ่านไปได้อันนี้เรียกว่ามีญาณญาณ น, นี้คือปัญญาคือความรู้คนรู้ด้วยจิต เห็นด้วยจิตเนี่ยเขาเรียกว่ายานยานนี้ทั้งเห็นด้วยแล้วก็รู้ด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจเขาเรียกปัญญายานรู้วิปัสสนาญาณรู้แล้วมันมันมั น, มนแยกแยะแช่งชัดตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าาว่ามันมันมันเป็นแบบลงไปทัก เป็นิ่งรู้อยู่ข้างในลึกๆอันนี้มันจะได้แต่ความสงบได้ความสุขความสบายแต่พอสมาธิมันหายไปแล้วก็ต้องมาเข้าสมาธิใหม่หรือบางคนติดติดคือยังไงอ่ะนั่งปั๊บลงไปน่ะมันจะเหมือนกับมันจมเข้าไปทันทีเลยหายเงียบไปเลยนั่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีเงียบไปเลยก็ได้ความสงบ แต่มันหายเงียบอยู่ตลอดมันก็เลยไม่ก้าวหน้าเถ้าสติมันมีกำลังมัน ค, คุมจิตได้ถ้าว่ามันรู้อะไรจะขึ้นรู้รู้แต่ยังยังไม่เห็นความเกิดดับมันยังไม่เข้าใจอันนี้แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะหมายว่ามันมันอยู่ในขั้นต้นๆกลางๆเตรียมเตรียมที่จะไปเห็นความเกิดดับหลเห็นปตัตติักแล้ว แต่ถ้ายังไม่เห็นปฏิลักษณ์นี่มันมันยังไม่ไ ม, าาไม่ถึงขั้นวิบสัญญาญไม่ถึงขั้นปัญญาญาปัญญาอ่อนๆก็รู้ตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, ร อ, ยรอเวลาที่จะให้มันดีซีมันเกิกล้าเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำความรู้สึกพอใจปฏิบัติผลแล้วแต่ แล้ต่สภาวะธรรมวางใจถูกต so, ้องแล้วก <so ็ปฏิบัติเรื่อยไปเผอไปบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเรายังไม่ใช่พรทหารหรอกเพิ่จะมีเผลอบ้างเผลอที่ใจลอยไปใจมันเร็วกว่าสติสติของเรากำลังไม่พอควบคุมควบคุมจิตยังไม่ได้จิตก็เลยเผลอไป พอมันเผลอไปเราก็ตั้งใหม่เผลอไปก็ตั้งใหม่หนุ่มส่งใหญ่พอพอรู้พอเข้าใจแล้วก็จะไม่ทูดมาให้ท่านแกปฏิบัติต่อไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวดูตัว เ, เป็นโอกาสสุดท้ายนะต่างคอสังเกตว่าจิตเราอยู่ยังไง เรากำลังทำอะไรอยู่นี่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมคือมีทั้งสติ ด, ด้วยและก็มีความรู้ด้วย ดูประคันถึงรางกายเนะี่ยมันอยู่ยังไงมันมเบิดธนาไนหะมเบทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดนี้ไหยมึนชานีไหมคันนีไหมมีอาการอะไรมีหรือาอาการของร่างกายเป็นเบทนาทางกายเบิธนาทางกายาากาย็มีสุขมีทุกทางกาย ของเราถ้าว่ามันมันมันรู้ว่ามันมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตเราดูเฉยเฉยได้ไหมถ้ามันดูเฉยเฉยได้มีแสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจมาขึ้นบอเออมันรู้เราวึงเรื่องร่างกายจิตก็เลยวางเฉยได้วางเฉยได้คือปล่อยได้มันเป็นเดกขาได้มันเป็นกลางได้นี่นี่ทางออกของจิตทางออกของจิตหมายว่ามันไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาเป็นทุกข์ มันมาอยู่กับจิตเนี่ยมันมันมันจะไม่เป็นทุกข์ได้มันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาว่ามันเห็นนะว่าอรูปประคันหรือว่าร่างกายมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันแยกกันออกแล้วจิตนี่เป็นผู้รู้ส่วนร่างกายมันรู้ตัวเองไม่ได้หรอกร่างกายเนี่ยมันเป็นรูปประคันเป็นรูปรูปพระธาตุรูปประคั รู ป, ปรขันรูปหลายๆ ล, ลูกกองแห่งลูกมารวมกันแล้วก็เป็นกายกายหมายว่ามันมารวมกันรูปหลายๆ ล, ลูปมารวมกันว่ากายกายยักษ์ ม, มารวมกันมาประกอบกันขึ้นมาเป็นกายนหลายๆ ล, ลูก เวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็มีความรู้สึกทางจิตนี่เห็นชัวมันเจ็บมันปวดขึ้นมาจิตมันมันอยากจะหายขึ้นมามันไม่อยากเจ็บมันไม่อยากเจ็บนี่มันเริ่มมันเริ่มเข้ามาหาจิตแล้วมันยินไลยแล้วมันมีอาการของจิตแต่ว่าถ้าหากว่ามันมัน มันไม่อยากเจ็บแต่มันมูกเข้ามาแล้วเราดูเฉยๆได้เนี่ยมันดับไปมันดับไปการมันมูกเข้ามาเนี่ยมันจะมีอาการที่มันเสียแทงเสียแทงกายเสียแทงใจเสียแทงใจหมายความว่าใจมันอยากจะเลิกเนี่ยเพราะนั้นเวลามันเจ็บในใจมันจริงนึกขึ้นมาอยากจะเลิกอยากจะขยับมันจะชวนแต่เราต้องรู้มันรู้มันว่านี่เป็นอาการของจิต มาแล้วการของจิตมันคิดขึ้นมาแจะเห็นว่ามันเกิดดับเนี่ยถ้ามันเห็นความเกิดดับมันก็แสดงไม่ใช่เราแล้วมีเจ็บมากๆโอ้โหมันวูบเข้ามาแต่ละทีแต่ละทีกันมาเสียแทงใจมากเลยนะนี่เราทุกข์ทุกข์ขมาหาจิตแต่เราก็ฝึกจิตจนมีกาลังปัญญาพอที่จะปล่อยวางได้มันจริงนี่ไม่เป็นทุกข์มันจึงต้องมาเพียนนะ ต้องได้เห็นมันด้วยเห็นแล้วก็วางได้ด้วยเนี่ยมันจริงไม่มีทุกข์คือมันไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นทุกข์เนี่ยทางออกของจิตเนี่ยตอนนี้มันยังเอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามาอยู่ทางจิตมีบางทีมันไปจดจำมาก็มีไปจำเช่นเรามีปัญหากับใครมีเรื่องราวกับใครมันนึกขึ้นมาแล้วก็มาปรุงแต่งอยู่ในจิต แล้วมันก็ผิดขันจิตเสียแทงจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ในจิตขึ้นมาแต่เราต้องรู้ทันมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องของขันห้าทำงานสัญญาขันก็มีเป็นแต่งที่มาเป็นสังขันละขันเวทนาก็เวทนาขันกายก็รูปประขันมันเป็นเรื่องของขันห้าทำงานมันไปรู้ก็เรียกวิญญาณขัน มันรู้แล้วก็มีสัญญามันรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆรู้แล้วมันมีสัญญาอยู่นั่นเลยมันไปจําจําแล้วก็แล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันมันจึิงทํางานอยู่ตลอดเลยขันห้าเนี่ยถ้าเรารู้ธรรมนั้นเป็นการทํางานของขันห้ามจะวางเฉยได้ทําวางเฉยได้นี่แหละมันไม่ไปยึดเอาเอาเรื่องข้างนอกมาทำให้ตัเองเป็นทุกข์ละเพราะนั้นมันเจ็บมันปวดก่ คนบ้างเพื่อที่ให้มันเห็นให้จิตเห็นว่าความเจ็บความปวดเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นฝึกจิตใจให้อดทนให้มีความให้มีกําลังจิตมีพลังของจิตขึ้นมามีภูมิต้านทานขึ้นมามันก็จะปล่อยวางได้มาขึ้นในเรื่องความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเจ็บปวดเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยก็มีหิวก็มีเครยก็มีคนนี้เป็นเลทนานทางกายทั้งหมด ถ้จิตเรารู้แล้วเราก็จิตมันไม่เอาเข้ามาเป็นเป็นเราเป็นของเรามันก็วางได้ปัญญามันก็เพิ่มขึ้นถ้าฝึกไปฝึกไปมันก็จะเห็นว่าเออมันเป็นธรรมดาไปเป็นเรื่องของร่างกายไปเป็นเรื่องของเวทนาไปจิตมนนึยคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของสังขารไปจำอะไรมากับเป็นเรื่องของสัญญาไปวิญญาณไปดูว่าลมอะไรมันเข้เป็นเรื่องของวิญญาณไป เาจะวางเฉยแต่นี่ต้องฝึกซะก่อนที่เราก็มาดูว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงมันอยู่ยังไงถ้าว่ามันมันมันจิตเราเริ่มเริ่มอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นหนี่งก็เริ่มเป็นสมาธิถ้าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนานขึ้นนานขึ้นจิตมันก็เริ่มเป็นสมาสมาธิ เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นมันไปรู้รู้รู้แล้วก็ปล่อยวางได้อย่างนี้เรียว่ามีสติสัมปชัญญะแต่มีแค่สติสัมปชัญญะยังไม่พอมีสติสัมปชัญญะแล้วเข้าใจโดยเห็นด้วยเข้าใจโดยรู้เข้าใจขึ้นมามันไม่ใช่ของเรามีเห็นภรรยาลักแล้วมีแต่ตัววิปัสนามันไม่ได้อยู่วิธีวิธีการนะ มันอยู่ที่จิตของเราพัฒนาขึ้นมาจนแจ้งชัดในอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นทั้งดับไปมีปล่อยวางได้มันจึงเป็นวิปาาัสสนาญาณดูตัวนะดูตัว่างเป็นโกาสสุดท้ายนะทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเนียเราขอมองกายถวายชีวิตเดียวพระพุทธเจ้าเดียวประทานเดีประสง์ ในการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่ประธรนเจ้าประสงค์มันนีเราได้ประพุตปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติบูบบบบชาบูชาเป็นการบูชาที่สูงที่สุดเลยบูชาอย่างแท้จริงด้วยเพื่อเป็นเข้าถึงเข้าไปหาแก่น แช่งแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติที่จิตของเราปฏิบัติก็ที่แรกก็ให้จิตมันมีสมาธิจิตอยู่กับตัวเราซะก่อนนีู่กับตัวเราแล้วก็ต่อมาเนี้ยให้มันให้มันชัดเจนึ้นมาไม่ได้เอาไม่จะเอาเรื่องขาำนอกเข้ามารบกวนจิตใจจิตใจรู้ความจริงแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆถอดค่อยๆถอนออกไป มีททางออกออกจากทุกข์ออกจากปัญหาทั้งหลายเพราะนั้นใครปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าประธรรมและพระสงฆ์จริงทีนี้ก็ต้องเพียนเพียนให้มากขึ้น เพียรไหมเขาอกให้ก้าวไปข้างหน้าไม่มันถอยหลังก้าวไปเพียนปฏิบัติไม่เลอกลุ่มความตั้งใจไม่ผัดยันตะการพุ่งไม่ย่อหย่อนอ่อนแอนี่เรียกว่าไม่ประมาทเรียกว่าเพียรอยู่ตลอดเลยทุกริยาบทุทกขณะทำการทำ ง, งานก็เพียร จิจกรรมอะไรควรทาทาข้างนอกก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีทาแล้วใจมันเบิกบา น, นรื่เบิงบันเทิงยิ่มเอิยิ่งเป็นสมาธิง่ายทีนิเราจะทำความดีมากๆใจยิ่งเบิกบานมากเราลึกถึงความดีที่ตัวเองทำอ่ะใจมันก็แน่วแน่ขึ้นมาแล้วพอวันพอใจ ธเลชาคานิสติชาคานิสติมีไหมคำว่าเรนึกถึงความเสียสละของเราการตั้งใจทําความดีการเสียสละของเราธเลชาคนิสติเป็นการเจริญสติอย่างดีเลยศีลานุสติเออเรามาอยู่วัดมีศีลเนี่ยสังรวมกายวาจาจิตใจนี่ก็เป็นศีลานุสติศีลานุสติ แล้ลึกถึงศีลของตัวเองแล้วลึกถึงการเสียสละของตัวเองเทวตานุสติแล้วลึกถึงเทวดาคุณของเทวดามีไมดีมีอตักปัเป็นคนที่ทํำชอบทําบุญทํากุศลผลก็ทำให้จิดเป็นเทวดาได้เราก็ น, น้อมไปทําความดีเป็นความดีเพื่อให้จิตของเรามันเสวย ปติความอื่มเ อ, เอิบเอิบบานนราว่าเป็นภูมิของเทวดาเทวตานุสติพุทธานุสติเราเลี้ถึงคุณของโพธิเจ้าธรรมานุสติเลี้ยงถึงคุณของวัรน์สังขารนุสติเราเลี้ยถึงคุณของพระงงสงฆ์ได้หมดเลยเพราะอย่างเดียวว่าทําแล้วเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีสติ ม, มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต่อไป ใช่มันทั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะมาเห็นเองเนี่ยคือคือเราเรามีสติแล้วก็พยายามมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเรื่อยไปเรื่อยไปพอสติสัมปชัญญะมีกําลังนีก็เห็นเห็นขันห้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมีหลักสูตรของมันแล้มันจะปล่อยวางเองทีพยายามกัะเตรเป็นโอกาสสุดท้ายนะ ข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าให้ยืิ่งใหญ่ขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้จแจ้งแทงตลอดในอารยสัจธรรมจนพ้นจากทุกเนวทัศน์สงสารได้เถิดให้ปตังใจอุทิศบุญรวบรวมกำลังบุญต่างๆที่จนถึงปัจจุบันมาไว้ที่จิตใจของเราขออนาคพระพุทธเจ้าอนาคพระธรรมอนาคาระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้ า, าตั้งแต่ที่เปกิดถึงปัจจุบันให้เทยียร์เทอดาที่รักษาลันายเยนของขาพเจ้าให้เญาติเทอดาที่รักษาและนายเยนของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผูงมีพระคุณของข้าพเจ้าให้ไปดวงญานทั้งหลายที่ศีลสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้ดวิญญาณทั้งหลายที่กญญ า, ล, าลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิ พอท่านทั้งหลา ย, ชลาคคยเชื่อจรแล้วอาบุญ้องข้าพเจ้าด้เพิ่มแล้วพอบุญนะี้ต้องการสิ่งใดเพื่อสมความปรารถนาเดีย๋ยวอำาจแงบุญที่ขาพเจ้าได้อีกทิแห่งนี้นเมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาผู้คลองดูลช่เรือเื่อนข้าพเจ้าทาสิ่งใดเพื่อมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสาเร็จมีแต่ความเจริญงเ ร, งหรให้ไไยิ่งขึ้นไปที่ถือข้าพเจ้าเชมนทำบุญแล้วก็อุทิศคุณให้เไป มันลงไปจับใจเราไ ป, ใใาไปถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญ